Book 2ูแปดอตอินเดีอดีตการสอง g a ะกาศในวแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมไวเดบยอีรบ แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม e a t r แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม e a p o l i c คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ m s i t e l e o n n u m e r i o คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับไวยุมสิรอเ e รสติโกเวลเบียคุณมีแผนที่เมืองไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับไวยุมสิร i ิลซาตสปลานสติโกเวลเบียเขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้ครับไววิงชอตน V เรนาเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบครับว่ a วิ่งอัตราจะเฉรเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจผมครับว่าว่สสัวินเรมสับร ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับคเปเนวเรยอัตนากทำไมคุณหาทางไม่พบครับคเปเนวเรยอัทรัสตเซลทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับคเปเนวเรยวิัสต์ผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเม์ Es nevarēju atnākt l a นา ā jo nenāca autobus. ัผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง e อ nevarēju atrast ceļu, j ซ man nebija pilsētas plāna. ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป e อ n e v a r ē ร u viņu saprast, jo mūzika bija t i k บียติ a ผมต้องนั่งรถแท็กซี่มันขยายย้ำทักซอมเตอร์ผมต้องซื้อแผนที่เมืองมันขยายนัวกปิลเตสลานส์ผมต้องปิดวิทยุมันขยาสเลดรดิ